ปัญหาในเรื่องคนไม่ยังไม่เห็นทางแก้ไขคำถามอาจไม่ใช่ว่าควรวางตัวอย่างไรแต่เป็นควรวางใจไว้ตรงไหนถามเจอเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานด้วยกันแต่เขาโดดเดี่ยวเราแถมเวลาทำงานเป็นทีมก็ขัดแข้งขัดขาไม่ให้เราทำงานโดยสะดวกทั้งที่เราไม่เคยทำร้ายอะไรเขาเลยควรจะวางตัวยังไง ปัญหาในเรื่องคนบางทีไม่มีทางแก้แบบเป็นสูตรสำเร็จเราต้องเข้าใจเงื่อนกรรมเงื่อนใจและเงื่อนไขทางสังคมหลายๆอย่างประกอบกันก่านจะได้ภาพเพื่อทำใจและเห็นความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อยังจับต้นชนปลายไม่ติดมองไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดนโยบายที่เหมาะที่สุดคือไม่ทาให้เรื่องเลวร้ายไปกว่าเดิมไม่ซ้า ใหสถานการณ์แย่ลงไปอีกคำถามที่ถูกจึงอาจไม่ใช่ควรวางตัวอย่างไรแต่เป็นควรวางใจไว้ตรงไหนต่างหากซึ่งก็รู้อยู่แล้วควรวางไว้ตรงที่ที่เหล่าพระพรมท่านอยู่กันเมตตามีความปรารถนาให้เป็นสุขกรุณามีความพร้อมจะลงมือเกื้อกูลมุทิตา มีใจยินดีไปกับความได้ดีของคนอื่นและสุดท้ายอุเบกขามีความสามารถจะวางใจไว้กับเหตุผลสามัญประจําโลกคือสัตว์โลกย่ำเป็นไปตามกรรมทั้งเขาทั้งเราเป็นอย่างนี้อยู่ในจังหวะโอกาสด้อยกว่าหรือเหนือกว่าอยากเบียดเบียนหรืออโหสิล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมเก่าและกรรมใหม่ม่ใ่ด้วยความบังเอิญแต่อย่างใดเลย